16ต้องรู้ทันการปรุงแต่งของจิตการปฏิบัติให้รู้ทันการปรุงแต่งและไม่ต้องพยายามคิดว่าทําอย่างไรถึงจะไม่ปรุงแต่งการปรุงแต่งของกายในวงเล็บกายสังขารคือลมหายใจการปรุงแต่งของวาจาในวงเล็บวจีสังขารคือวิตกวิจารณ์การปรุงแต่งของใจในวงเล็บจิตตสังขารคือเวทนาและสัญญาถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าอาศัยสัญญาและเวทนา เช่นนั่งอยู่ดีๆหน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมาโดยไม่ได้นึกได้คิดจำหน้ามันได้จิตมันผุดความจำขึ้นมาใจก็ปรุงแต่งต่อเลยคนนี้โกงแชร์เราเมื่อยี่ปีก่อนอีกอันก็คือสังขารความคิดของเราความคิดนั่นแหละตัวปรุงแต่งตัวที่เป็นหัวใจของการปรุงแต่งเรียกว่าอภิสังขารมานกายสังขารคือลมหายใจก็ไม่ต้องแดัดแปลงการหายใจให้หายใจเหมือนคนปกติธรรมดา แต่ให้รู้ทันกายสังขารให้ดูว่ากายเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาโดยไม่ไปบังคับมันวจีสังขารก็ไม่ห้ามแต่ให้รู้การตรึกการตรองสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่า น, นี่เป็นธรรมดาของมันไม่ต้องไปทําให้วิเศษจิตสังขารเราไม่ได้มุ่งดับสัญญาและเวทนาการกําหนดลงไปมากเข้าจิตจะดับลงไปและเป็นสมถะเวทนาดับไม่ได้เพราะเวทนาก็เป็นจิตสังขาร เวทนาเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเราเรียนรู้เพื่อเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ไปบังคับมันคือเราไม่ดัดแปลงปรุงแต่งกายวาจาใจให้เพียงแต่รู้ทันเห็นว่าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูไปจนแจ่มแจ้งว่ากายใจเรามีแต่าธาตุขันเขาทำงานของเขาเองคือเห็นด้วยใจเป็นกลาง